อยู่คลุกคลีกับครืหัดด้วยการคลุกคลีกับครืหัดที่ไม่สมควรทั้งทั้งที่พวกปกตะทตะภิกษุก็ให้ปริวาทชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและอภรานอยู่จริงหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆะบุรุษนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยภิกษุทั้งหลายชัไหนภิกษุใสยยะสกผู้โง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับขฤรหัด ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ที่ไม่สมควรทั้งๆ ท, ที่พวกปกรัตตะภิกษุก็ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและอับพานอยู่เล่าการกระทาอย่างนี้ไม่ได้ทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้เลยครั้นทรงตําหนิแล้ว จึงทรงแสดงธรรมมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสงจงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุใสยสกัโดยสั่งให้กลับไปถือนิสัยใหม่